สองหนึ่งสหลวงปู่เทศสอนจิตกับใจฌานกับสมาธิวงเล็บเปิดสิบมกราคม25งพันหาในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสี่ิเอ็ดวงเล็บปิดหลวงปู่เทศตอนหนุ่มๆก็สอนกายอย่างนั้นกายอย่างนี้นะเพราะอายุมากๆเข้าสอนอยู่นิดเดียวสอนอยู่สองเรื่องสี่หัวข้อหัวข้อที่หนึ่งสอนเรื่องจิตกับใจอันที่สองสอนเรื่องฌานกับสมาธิสอนแค่นี้เอง พูดกี่วันกี่วันสอนแค่นี้แหละวิธีการสอนของท่านฟังแล้วทราบซึ้งดีนะเครื่องหมายคําพูดเปิดจิตอันใดใจอันนั้นแหละจิตเป็นผู้รู้สึกนึกคิดใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเมื่อใดมีสติขึ้นมาก็เป็นใจเมื่อใดขาดสติก็เป็นจิตปิดเครื่องหมายคําพูดไปไปทําเอาไม่ได้บอกอะไรมากกว่านี้นะก็คือให้เรามาหัดสังเกตเดี๋ยวจิตเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตเราก็หลงเป็นผู้นึกผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่ง เราก็จะรู้จักจิตสองชนิดนั่นเองคือจิตที่เผลอไปกับจิตที่รู้สึกตัวนั่นเองจริงๆเรียนแค่นี้พอแล้วไม่ต้องเรียนเยอะกว่านี้หรอกอีกอันท่านสอนเรื่องฌานกับสมาธิท่านสอนพระเยอะด้วยพระส่วนมากติดการเพ่งท่านใช้คําว่าฌานเพ่งเอา